ก็ตอนนั้นแสดงว่าเป็นปฐมโพธิการคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้เผยแพร่พระธรรมไม่นาน น, น, นะะช่วงปีสองปีนี่แหละครั้งนั้นภิกษุชาวชาติภูมิชาวชาติภูมิก็คือชาวแคว้นสักกะจำนวนมากจำพรรษาแล้วในชาติตภูมิพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เหตุการณ์นี้แสดงว่าหลังจากที่โปร่งตรัสรู้แล้วสองพรรษาเนี่ยนะพรรษาที่ถือผ่านไปสองพรรษาก็เรียกว่าย่างเข้าสู่พรรษาที่สามทีนี้เมื่อพระพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าระเบียบในอัตถกถาจะทําให้เราเข้าใจอะไรบางอย่างเพิ่มทําไมที่ประทับตรงนั้นจึงชื่อว่า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 ประกอบด้วยซุ้มประตูและป้อมสีเขียวสดใสน่ารื่นรมเลยเรียกว่าเวลุวันตอนนี้ก็ยังน่ารื่นรมอยู่นะน้านั่งเล่นยังสบายอยู่สวหมนต์ไหว้พระก็กำลังดีเลยปีที่แล้วไปสวดมาคะที่เวลุวันเนี่ยนะปีนี้อดเลยเวลุวันกาลันทกานิวาปสถานสถานที่ตรงนั้นเนี่ยนะเป็นที่เรียกว่าพระราชทานหรือให้เหยื่อแก่พวกกระแตเนี่ยเรื่องราว ก่อนหน้านี้มีอยู่ว่าพระราชาพระองค์หนึ่งไม่ใช่พระเจ้าพิมพิสารนะแต่ว่าเป็นพระราชาองค์ก่อนๆ น, นะนะเสด็จมาเพื่อทรงกีฬาในพระราชุทยาลยนะก็มาเที่ยวมาเล่นแล้วก็เมาด้วยน้ำจันทร์บรรทมหลับไปในตอนกลางวันแม้ชนที่อยู่ข้างข้างเคียงเท้าเธอรู้ว่าพระราชาบรรทมหลับแล้วก็จิตชวยดอกไม้ผลไม้เป็นต้นก็แยกย้ายกันไปคราวนั้นงูเห่าตัวหนึ่ง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 ปายสิปัตนมัมฤรุกขายาวันออกพรรษาพระพุทธเจ้าก็มาโปรดพระภิสุชาวเมืองราชเครืกเนี่ยนะแตสรุปองค์ก็ไปโปรดที่เมืองกบินลพักแล้วก็กลับมาที่เมืองราชครกอีกอักนั้นแล้วพระองค์ก็มีการไปโปรดเมืองไภสาลีเมืองอะไรเป็นต้นนะแล้วก็จำพรรษาอยู่ที่เมืองราชครืกเนี่ยจํารรษาเมืองราชครืกระหว่างที่พระพุทธเจ้าไปโปรดแคว้นกบินลพักหรือแคว้นสักกะ นะตอนนั้นเนี่ยนะรยแรกตรัสรู้น ะ, ะผ่านไปหนึ่งพัรษาที่พระองค์ไปสอนแล้วก็มีหลานของพระอัญญาโกณทัญญาอกบวชเป็นอาจารย์ใหญ่ก็คือเนี่ยพระปุณณมันตานีบุตรก็คือหลานของพระอัญญาโกณทัญญานั่นเองพร ะ, อ, ะ, อ, ะองค์ที่จะกล่าวกันต่อไปเนี่ยนะทีนี้พูดถึงว่าพระพิสุที่เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาประมาณกัน ประมาณห้ารูปเป็นชาว ช, 7, того, ชาติภูมิในอัตตกฐานหน้า3ามห้บดทว่าชาติภูมิได้แก่ชาวชาติภูมิคําว่าชาติภูมิเนี่ยแปลว่าภูมิเป็นที่เกิดใครเกิดล่ะไม่ใช่พระเจ้าโกศ้นเกิดไม่ใช่คือไม่ใช่พระราชาองค์อื่นเกิดไม่ใช่พวกพรามณ์ทั่วไปเกิดไม่ใช่ที่เกิดของเท้าสักะเท้าสุยานเท้าสันดุสิตตลอดจนนังไม่ใช่เป็นที่เกิดของเขา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 ทีนี้ถ้าพระพุทธเจ้าถามถามอะไรเมื่อจะถามถา ม, ถามถึงภิกษุผู้ได้กระถาวถัตถุสิทธิด้วยตนเองขณะเดียวกันก็ยังชักชวนผู้อื่นในข้อปฏิบัติเพื่อสมบูรณ์ด้วยกระถาวถัตถุสิทธิ์คือตัวเองเป็นคนที่ปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติคือกระถาวถัตถุสิทธิ์ประการแล้วสอนให้คนอื่นปฏิบัติตามกระถาวัตถุด้วยนี่คือบุคคลที่พระพุทธเจ้าจะถามถึง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 เราทั้งชาตินี่เรามีสิทธิพูดอีกกี่คำอ่ะขอพูดคําว่าอะไรมากที่สุดนะชาตินี้มีเวลายืนเดินนั่งนอนก้มเงยเงยเนี่ยจะขอก้มเงยทําอะไรมากที่สุดคิดว่าจะได้กราบพระเจดีหรือกราบพระพุทธเจ้าอีกสักพันครั้งได้ไหมคํานวณณวันหนึ่งถ้ากราบเช้ากลางวันเย็นวันละเกครั้งถ้าไปไหว้เจนะดีนะสทิศสี่ทิศสามสี่สิบสองเลบสอครั้ง เดือนไหนกราบทุกวันหรือเปล่าเนเามาไล่ดูบุกลบคูณหาร้วทั้งชาตินี่จะได้กราบพระพุทธเจ้าอีกกี่ครั้งเนาะอ่นนะสินิ้วเนี่ยมาบรนจบการประนมมือคิดว่าจะได้ยกมือไหว้พระพุทธเจ้าทั้งหมดกี่ครั้งกันลองคิดดูนะอ่า น, นะคำพูดนี่เราสามมีสิทธิพูดอีกกี่คำเนี่ยตามจากคุณภาพคอคุณภาพเสียงคุณภาพปอดสุขภาพอนามายัยเป็นต้นเนี่ยนะไม่รุมมีโรคปวดฟันเราสามารถพูดได้อีกกี่คําพูดรดี ทีทีิโซพระกวาระหังส้ำมาขอสาโทษนะประมาไม่โมทนากับตัวเองก็ได้เนี่ยนะเผื่อแต่เดี๋ยวกลับไปสวดต่อเลยนะเนี้ยนะต่อไปเอา้า <c> ว <oughs> แล้วถ้าจะยืนจะเดินจะนัง่งจะนอนถ้าจะคิดเหลือเวลาคิดอีกกี่ชั่วโมงเนะี่ยก็มาคิดดูพันธุ์ก็ต้องใช้เวลาที่เรียกว่าจํากัดเนี่ยนะให้มีประโยชน์สูงสุดไม่อย่างนั้นชาติหน้าเนี่ยบนะ่นเหมือนชาตินี้อีกงอธรราอะไรอยู่ทาบุญน้อยอย่างงั้นอย่างเงี้เนี่ยนะชาติหน้าจะต้องเสียใจอีกไหมลนงเรืองไม่หมือนกันนะ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 ตนเองเป็นผู้มรคน้อยนะหนึ่งมรคน้อยสองสันโดษ3าวิเวกคือเงียบสงับสี่ไม่คลุกคลีด้วยหมูห้าปรารบความเพียร6สมบูรณ์ด้วยศีลเจ็ด ส, ด, สดสมบูรณ์ด้วยสมาธิ8สมบูรณ์ด้วยปัญญาเกาสมบูรณ์ด้วยวิมุตและ10 ส, สมบูรณ์ด้วยวิมุตติยานทัศนะคือเป็นผู้ที่มีคุณนะสมบัติดำรงอยู่ด้วยกระถาวัตถุสิบประการ